เรื่องวี่าด้วยกััศนีย์ขงพี่น้องผู้รักษาด้วยันยี่หท่านป้าที่ที่ไหนก็ได้ทีขอให้เขาไปดูดิแ่้องหลังหลี่หลงอะไรพวกนี้ข้างแมาว่า ก็อกมาปูนอะไรอยางี้ยรถยนตไมันมาใ่เข้าไปเเดือดไปเลยนั่นแต่งตัวกันแล้วเยอะพอแล้เยอะรับาดูว่าเขาปูนไปูนสิครับไปแ เดวัลเดวัลโสตินังเจตังบุพะปะเรติสังตั n สังชุนังตองเดวัลธรรมดิตูตัพเต o ูเรตูทั้งท่าจ้างโตตระหนักโสยขามิโชเทรโสยาสาธีปโยวิวัตัสัพพะโล ดีนักสตูปาเตสวาสดมั่นใจอยูสุขสีข้ารักเขโเพราะอ่าพะตาดีโนตัตารวธรรมะท่านเปอันวันโนสุขังพระหลังเอาวัาถุาสตรมังคลังสลักาสศสตร์เป็นหลักฐานที่นัปัตทานีภาวนะ สัพพคัมมาิาสัพะสัาิทวุเตนี่่อครวันนี่าโเรียนสอีห้ แตนบ้านเขขกีบ้าเขาจะมาขายคนละบ้า่บ้านเขาขายไม่กี่บ้ กิโลนเงินคนหนึ่งเท่าไรงนสงร้อยเาเลยสอง้อสี่าสองร้อย่าคิดเป็นมันเป็นคิดเป็นกิโลลวเท่าไหร่กิโลไม่ไม่ถือตังกันครับมันจะเป็นกิโลละห้าสิบตังนะแต่เรานัน้คิดคิดเป็นกิโลถูกครับผมอืมครับผมย่นเป็นประมาณกิโลห้าสิบตัง หกสิบเอ็กิโลขึับสองรจ็ดบาสองร้นะสี่ห้าสอง้ยสี่หาสองรสีห้าเป็นห้าร้ยนั้นคุณจะเข้ากีกิโละห้าสิบกังกโากอพอดีพอดี คุณเครื่องบินนี้เท่าไหรจากน้นมันขึ้นแล้วพันห้าร้อยแล้วครับคุณนีพห้าร้อยพันห้าร้อยสิบบาทมีห้าจุดสามห้อยดูไหมเนื้พันห้าร้อยสิบบาทพันห้ารอยสิบบาทแล้วเขียนว่งมันอยู่ห้าจุดสามเข้าอยู่ด้วยพันห้าร้อยพันห้าร้ยสิบบาทห้าจุดสามว่า เราก็คิดเห็นเขาเนี่ยเ<ม>ขาคํานวณการค่าโดยสารคนหนึ่งคนหนึ่งเท่าไหร่รวมแล้วเป็ น, 3, น, 1, น 1, เท่าไห ร, ร, ร่แล้วจ่ายภาในเครื่องบินเขาตลอดซื่อเครื่องดินมาเท่าไหร่เท่าไหร่นี้แล้วเห็นใจเขานะ <c oughs> ถ้าเราถ้าเรามีนี่อย่าว่าแต่พันหร้สิบาทแล้วจะให้สามพันเลยจบคนหนึ่งคนหนึ่งให้สามพันจะไม่มีโม่เสียโม่มดมมดได้ ทำลไปไม่มีกำลังเกิดประโยชน์อะไรเพรวมันต้องคำนวณทั่วหน้าทั่วคำนวณละเอียดละออมากนะครับต้องละเอียดละออมาก <c oughs> มีวก็เป็นวเส้นผิดมาวางอะไงรอ่นะอืมมีว่เส้นผิดมาจะตอดชื่อวดนทมล่ะอดเชื่อมวัน พรมันเจ็บแบบทุนนมูลเผื่อมาแล้วมาคลางๆรู้สึกขัดๆหัวเขาเอ๊ะมันจะนวดผิดไปไหมเนาะมาตอนมาถึงเรียเดินองค์รู้ชัดขัดหัวเขาเรียงวันนวดเส้นผึดเส้นหน่อยผิทิศหน่มื่อเ้ตอนเช้ามานี่รู้ชัดเองว่าขัดหัวเข่ามาก งวดเส้นสิงวดเมื่หลายคมนวดสิไปงวดเมื่อวานมันก็สรรมดาเนาะไปฟูเขียวงวดฮึมท่านสมุนท่านมาที่นี่แล้วเราก็เคยผ่านมาที่นันมาเห็นบ้านใต้บ้านหนึ่งเขาปลูไว้พัดจุด าด oh oh ้วยก็หยดไปมาบ้านน้องกุ้งเขาทำให้ยุบได้หรอยุงยุงคือที่ชายของพ่อเนี่ยก็มีครบครัวอยู่ทางเรื่องเขาียกบ้านน้องกุ้งมลเนี่ยเขาเคยจะเยี่ยมไปเนีั้งแต่ที่ชายแล้วก็เคยไปไปเยี่ยมไปเยี่ยมยุง เขตที่จะเป็นครอบกรัวทางล้มครอบครับแ่ก่อนเป็นทหารทหารกองทหารนี่มันอยู่ทางหนองสาโรนแตก่อนไม่ได้อยู่ทานี้นะอันนี้มาตั้งที่หลังตานเราเฮ้ยเราโตขึ้นมาตั้งระยะถึงมาตั้งกรมทหารทึ่นี่ที่ว่ากรมทหารกรมทหารตั้งที่ย่าง กองทหารตั้งตรงหน้าพระโดมทึงอยู่แล้วเนเป็นทหารตอนนั้นคิดยังไงก็ทรานมาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมมันตาเนี่ยมาไปมาสมาร์ทโฟนก็ขโมยเอามาของนายมาเนอย พมูฉี่หน้านายมามาพอมาถึงร้างทางเนี่ยหลังจากก่อนเป็นมหมดาก้างปาเสือเป็นถนนนั่นนียต่กอนยานจะเนิ่งจะเริ่มตั้งแั้ตอนนันเ่งเริ่มตั้งแล้วฉีมานามาตรงคืนเว้นห่อใหญ่มาอะค่ะหรือเสือมาอยู่ข้างทาง มันก็โดดขัดมาแล้วก็ตกข้ามคอมาเลยตกไปงงแต่ยังดีไนยะังไม่ถุดใครสุดสุดดูดูดูหน้าหัวคำบมลงไปเลยคนคนก็ตกข้ามหัวมาเลยอไม่รู้เป็ดอะไรแลยอ ขีดไม่ขีดไฟอยู่เนี่ยเอเสือก็มาพันกันอยู่ถ้ามันดีนะเสือมันไม่กัดถูคนมันกัดที่คอมากคนขึ้นอยู่เบนหลังกัดคอมากงคนประตกข้ามเหัวไปขมยแล้วขีดไม่ขีดไฟอยู่เห็นมากับเสือพันเลยแล้วก็วิ่งเลยนะผิดขโวยเอาม้านายมานายทหาร ขโมยมาหน่ยมามาการเรื่องเลยคิดด้วยยั้งเช่นตนมาคุณคิดมาเยี่ยมบ้านเนี่เขามาเขาก็กลับของเขาชันนั่นก็ไม่ียกว่าเขาไม่เขามแบบธรรมดาแต่ขโมยมาหน่อยคืมกลับจะให้ชัแล้วก็จะเอาม้าไไว้ที่เดิมเนามาสสมันกัดเลยอ่ะพอตกจากความมาหน่ย หยุไม่หยไปอยู่เนสือกับหมาบันทันลยเลยโดนถึงมานี่เตรียมของไปตั้งคืนเลยวัวเขาจะจับนั่นเป็เหตุนะผมพี่ชายพ่อเราเนี่ยไปตั้งคืนเลยไ ป, ไปไปมีครอบครัวอยู่โน่นเรื่องรามวมันเยอะมากนะไม่ไปเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยวัวเขาจะจับชื่อได้กรจำชื่อได้นะถ้าเปลี่ยนชื่อใหม่ มีครอบครัวเงินนานๆจะมาเยี่ยมบ้านฉตอนไต้นั้นเราจะเริ่มเปิดรี่ยังไม่เลยเพราะลูกสาวผู้เฒ่าเป็นลูกคนแรกเลยก็เพิ่งเริ่มเลี้ยงดู่ะแล้วเปมีครอบครัวเนาะ เขาผ่านมาแลาเห็นเห็นเขาจิดบ้านแล้วบ้านน้องคุ้งเออน้องคุ้งมลถ้าเป็นบ้านที่อยู่เราอยู่นั้นเขาให้ชื่อว่าบ้านน้องคุ้งมลแต่บอก้าน้นามันมันญาติเดียวกันย่านนั่นยานั่นเขาผ่านมาเขก็ขาจี้านนะอางล้วเรือาอยู่ช่างสมบูรณ์ข่างผ่านมานั้นเลย เราได้ถามอูว่านย่านมันยังีบ้านน้องคุ้งรู้สึกสะดุดตาสใจยแต่เขาไม่ได้บอกว่าน้องกุ้งมนะค้ก่อนเาชื่อว่าน้องกุ้งมลโอ้ที่นั่นมีน้องกุ้งสามสามกุ้งอ่างนั้นกุ้งน้อยกุ้งใหญ่กุ้งมลเหนือย้เหนือนะเราเราเมื่อเราไปนูดเสียงเราจึงถามอยนว่า เขาไปจอดจุดนั่นอะเขาหาดูยังไปเจอบ้านพอบ้านน้องกุงยื่เป็นน้องกุงน้องกุงมนท่านเขาบอกน้องกุงมนใ่หรนี่น้องกุงมนเนาะคือมัักก่อนแล้วเอาญาติมามังเหืออยู่บ้างหสอนงเหลือสองคนลูกลูกอะไรงเหลือสองคนมันเป็นผู้หญิง ผู้หญิงที่มาคุยกัเมื่อวานนี้เราก็จะอีกคนหนูเป็นผู้หญิงรงหยชักปันตอบพูดกันไม่ถูกต้องหมดเลยที่ตกมาตกมาขโมยหนีมามีคอบคัวมีพ่อเล่าให้ฟังพ่อตกมาหนีขโมยขโมยหนีวางแล้วก็เล่าละเอียดอ่อนอย่างเงเีลูกของลุงคนนี้ เมือนแล้ญ่อ๋อชื่อว่าพวกญาติอะไรบอกพืบอกนามมัดอะไไปเยี่ยมกันอยู่เสมอระหว่างคนนั่นคนนั่นคนนั่นอะไคนคนน้องของของขาอคนนี้ของลุงเราอ่ะมาเยี่ยมมึงมึงทาที่ทำนี้ก็ตั่งให้ไปแล้วตอนนั้นก็มาเรื่อยแล้วก็บอกคนนี้เดียวนีพวกีตายหมดแล้วเลยว่าไม่มีอะไรเหลือ ทางนี้น้องมีวะที่เห็นบ้างถามทั้งเหลือสองคนคนที่ถามเมื่อวานที่อยู่จะเป็นพี่สาวถ้อายุแปดชั่วโมงปีก็ถูกในย่านนั่งเป็นย่านที่แล้วจะเริ่มเปิดมั้งพี่ลุงขโมยหนีไปแล้วพอลูกสาวของลุงนี่ก็ก็เกิดมาประมาณสักสองปีหรประมาณนั้นถามปีมั้งพ่อกับสาวไส่เราก็เกิดการหบ่งนั้น เราจนคิดพาดคนนี้เพราะแปล่เอ๋ต้องถูกก้องวเราต้งแปลืที่ 8, เจ็ั น, นก็เักถามก่อนไอ้รื่งจำหน้าได้นี่มันจำหน้ากันได้หมดทั้งบ้านเนมื่อี้ชีวีนี่สำคัญมากนะเราไปจอดร้อยไปนี่นมายุ่ต่อทนทีอยู่เรายังไม่ถามส่น ญ, ญาติญญาสงบนั้นทั้งนี้ต่อเราก่อนแน่นอ เพื่อเขาดูนาชีเขาลูกหมดแต่นันก็ถามเขาได้เยอะแล้วก็แล้วก็สอดรถเอาข้ายรถก็มามากที่บ้านอย่างนี้เราคุยกันแล้วก็ลุ้มมาหมดเลยแนะชา้านะหัวขโมยทราบว่าญาตยังมีอยู่ยูกลุงยูกพี่ชายพ่อยังมีอยู่ล้วอยู่สองคนแล้วก็บอกคงนี้ ยันเหลืออยู่ห้าหกคนเอ่อน้องชายผู้ถัดกันกับลุงเนี่ยเพราะคนนั้นก็เป็นพ่อของเราคุยกันอยู่ประมาณก็สามสิบนีม่วาเขายินมยมแย้มใส่ย่เขาเห็นเรานะเขาไม่คชื่นใจยาญาติยางบ่มอะไรเเขาดีใจที่เขาเห็นเรามากจ่อเลยนะโอ้พี่ยิ้ส่งผานหน้าน่ไม่สงสัยไ พอมองเห็นเลยไว้ตาจ้องเลยใครมาจ่องจังโอ้ยชื่อเสียงโด่งดังไลเพราะว่ามีเขาเคยเดทํานเพืนน้องจะตุกลับผมจันทร์คนมีเขามาเล่าให้ฟังได้รูปย่องพ่อมากราบทุกวันอย่างมีวันนี้มาเห็นตัวจริงแล้วเขาไม่คาดไม่ฝันเกิดมาเพิ่งมาพอเลยไหมนึกว่าจะไดพ่อ ย so ิ้ย้มขั้วหน้ากันพรตางคนตางเห็นทีมือมวยเขามาเล่าเขาพูดยิ้มแย้มแสบใส่ขั้วหน้ากันเมอกะทั่งจะมาทราบเรื่องราวว่าอ้หราเป็นราชสันต์ก็ว่าฮ่าฮ่นีก็่านเตะตอกนาละมามาพูดแม่นั่งนี้อยคนสุดหกเลย พอจากนั่งก็ไปไปวัดท่านสมมุรณ์ไปนวดเสื่อมไวา้นี่คือไม่ทราบมันผิดมันถูกตรงไหนก็คือว่าคือการนวดเสืน่อนี้เราปล่อยเลยนะอืมมันจะอะไรจะขาดให้ขาดไปเลยนู่นนี่ไม่ทราบว่ามันจกิดผูกเกิดผิดอะไรด้ยเพราะยานั่นนนงรถมาถึงมาขัดหัวเขา่าเออมนดูดถิดที่ไหนนี่เา้าก็มีสองเท้าตงที่นวดทุกท่าน ขั้นสมุนยหัวหน้าพัยผ่าปวดมามีเจ้าก็ยังคงอยู่ในทางยังคงมันก็ขาดอยนั่นตลอดเอ้ยัย ง, ไงไงล่ะขาดยังไม่หายไปนี่ผมเนี่ยตอะหมดแรงงมดที่ไหนแรงครั้งนั้ น, หนแหนแนแนนละเราเปิดให้เลยขั้นสมุนนวดนวดจากเต็นทที่ อะมันจะขาดใหขาดไปเลยแล้วจะหลุดให้หลุดไปเลยเราเชื่อหมอนะเอาเอาลงเลยอมีร้ำซ้ำํามันเจ็บตรงไหนมากขอจ่อไปปั๊บเอาตรงนั้นแล้วตรงนั้นซัดลงเลยเหมือนกระดูกขาดไปเลยลกระดูกแตกไปเลยนวดนะเพือมันเจ็บตรงไหนนั่นแหะมันแข็งตรงนั้นซัดตรงนั้นทีหลังมันก็อ่อนเพราะเจ็บเพื่อหาย เราก็ปล่อยเลยทีนี้เมื่อวานนี่ไม่ทราบมันเจ็บอย่างไหนแสดงนะนวดทีไรมันก็เจ็บอย่างนั้นแต่ไม่เคยกล้าเมื่อวานนี่พลาตรงนึ้โอ้พลาดที่ตั่นตงนั่นคือเดินมากรุ๊ขัดเมื่อคืนนี่ก็เหมือนกันแอะชอก่นเดินเข้ามาเรเป็นฉลาดแตอยู่ที่มืเขามันจะไปผิดเส้นอะไรเพราะตรงนี้มันขัดเข่าท่านนวดแรงเมื่อวาน เนี่ยเนื้อกระดูนี้มันแตกไปเลยห่ะนวดหนักนี่เลามันผิดพลากไปเลยไม่รู้เรียกการนวดเช่นอย่างนี้ท่านสมบูรณ์ก็หมอคนที่อ่ไรที่จะพันหลวงปูมั่นนจะพูดเป็นเสียงเดียวนะชื่อชื่ออะไรนรุงศักดิ์อันนั่นก็เหมือนกัน อันนั้นปีี23เรายังหนุ่มอยู่พอแขนนี่มันจะใชไนไม่ได้เราจะยกไม่ขึ้นมันปัน่นมันปวดไปหมดถึงยกไม่ขึ้นอะไรอาจารย์หมออวยคุณหญิงสงศิยะที่ต่กอ ก, ก็หมอโน่นก็บอกมาครั้งนี้มาครั้งนี้เขามาหาเราเราก็เลยไปทดลองอว่าว่าดีจริงๆหมอนอี่หรอเป็นหมอมีชื่อเสียงมากนั่งเทออ้าบ้านเราจึงตั้งสลับเวลาไปไอ้ได้เขามาจับดู มันเป็นเช่นลนวนๆหรือว่ามันมีโรคแทรกอะไรบ้างป่ะถ้ามีโรคแทรกแล้วเอาปล่อยเลยหรอเอาให้เต็มเหนี่ยวบอกคงคงเลยแล้วเขาบอกไม่มีมีโรควเส่นลนวนๆคั่นนวดให้ถึงฐานมันให้มันแล้วมันจะหายไหมหายเขาว่างมันเอาถ้างั้นปล่อยเลยป่ะอะไรจะขาดแค่ขาดไปเลยหรอเอาเต็มเหนียวหน้ามันก็ซับเต็มเหนี่ยวโอ้ย อาจารย์มองวันนั่งดูอยู่ขึ้นหมดทั้งตัวเลยแต่คนนั้นเขาไม่ได้ไม่ได้ขึ้นให้ข้าเหมือนขั้นสมบูรณ์นวดด้วดยมือแต่มือเขานี่เป็นเหล็กเลยนะแสงนนขนาด น, นั้นนวดว่าที่หนุนโถเราก็ปล่อยเลยจ้ะพอหนวดเสร็จลวมาสองชั่วโมางกว่า นวดครั้งแรกมันนวดสามผลนะครั้งครั้งแรกสองชั่วโมงกว่าครั้งที่สองก็ประมาณสองชั่วโมงนรือขาดเล็กน้อยครั้งที่สามชั่วโมงครึ่งนวดครั้งแรกนั่นแ่ะเป็นครั้งที่เจ็บมากที่สุดเขาก็เอาเต็มเหนี่ยวเลยพอนวดเสร็จลงมาขอกราบท่านอาจารย์มีผลหนึ่งว่างราบข้อให้ลายว่าก็คือเขาก็พูดย้ำเด็ดเดี่ยวเลย การนวดเจนนี่ผมนวดมานีเน่เป็นเป็นหมื่นหมื่นแขนแขนคนผมไม่เคยเห็นลายไหนหนึ่งเราจะเป็นเหมืนอนท่าไหนกันผมเพิ่งมาเจอวันนี้อะเลยลายเดียวเท่านี้ว่างั่นนะที่นวดลงไปแล้วเหมือนสุ่มทั้งท่อนเฉยเลยนอกนั่นเหมือนเขือถูกปืนร้องกล่าวที่กล่าวที่ทั้งท่จะมีนวดแรงอะไรเลยเพราะผมได้ขอากราบอีกทีเนี่ย ม, ม้อนนี่จะพูด อ, อย่างเดียวกันพท่านสมบูรณ์ท่านสมบูรณนะ์ก็บอกไม่มีไม่เคยมีเลย ม, มันมีแต่ร่องจ่าเพราะว่าอะไรวะไม่ได้ถึงขนาดนี้นะร่องแล้ ว, วอันนี้อันนี้ถฉยเลยนะปล่อยเลยเจ็บตรงไหนยิ่งบอกเลยซ้านะมันเจ็บตรงไหนมากพอจอยลงไปปั้มป้ า, าป้าหรอเออตรงนั้นนะตรงนั่นแหละนี่ข น, นาดใหญ่เจ็บตรงไหนนั่นแหละค่าสึกอยู่ตรงนั้นเจ็บเพื่อมห้ใหญ่ใหญ่ไปวะอเอาลงตรงนั้นแล้ว ว, ว่าลงไปเลยเลย ไม่งั้นนี่เราจะเป็นอัมาพาตนั้นเนี่ยต้องนวดกันอย่างขยันนั่นนะลุ่มแรงมากคุโยนแล้วค่อยหายไปหายไปคุโ <c oughs> ยนนวดจนบอกใครไม่ได้นะพูดได้แต่เรื่องจิตเท่านั้นพูดได้คําเดียวไม่มีอะไรเหนือจิตจะได้ <c oughs> พูดว่าเรื่องจิตเท่านั้นจ <c oughs> ยางของเราเนี่ยเรื่องศี จะเป็นเรื่องอะไรผมพูดได้คําเดียวอธิบายไม่ถูกนิ้ได้เฉพาะตัวของได้เดี๋ว่ า, อาเอาเลยสัดเลยกปล่อยเลยอะไรจะขาดก็ขาดแล้วไปฟังยิ่ ง, งอืะยังจีบพูดได้ยังจีบยังเดียวพูด <c oughs> ย่างไม่ถูกพูดได้คําเดียวอธิบาย พูดตัวเงว่าจิตเป็นน้าคัญมา์บางสำหรับเรานี่พูดจริงจรินวดมันจะตายกับนวดมันมันก็ตายกับนวดเฉยๆมันไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันสั้งให้ดีนี่เราทำพพเพราะพูดตัวเองเหลือนประจักษ์กับหัวใจเ อ, เอานวดลงไปเรื่องเจ็บยอมรับว่าเจ็บนั่นเจ็บขนาดไหนก็เหมือนโลกเขาเจ็บกันแต่จิตเป็นจิตนั่น โรคเป็นโรคทุกเป็นทุกกายเป็นกายต่างอันต่างสิ่งของไข่ของเรากายก็สิ่งของกายทุกกว่ากิ่งของทุกจิตสิ่งของจิตเมื่อต่างอันต่างสิ่งแล้วไม่กระทบกันถึงขนาดแตกออกไปก็ไม่กระทบกันเข้าใจหรือเปล่ามีอะไรที่ไเรื่องเรื่องจิตเป็นสาคัญมากเลยเรื่องเจ็บรู้ มันจะเจ็บขนาดไหนมันก็เป็นเจยบของมันเหมือนไฟมันจะแดงเต็มเหนียวมันมันแสด ง, สดงขอามันเต็มเหนียวเราพูดนั่งดูก็นั่งดูไม่มากระทบเราไฟเป็นไฟอย่างนั้นมีเจ็บก็ทุกขนาดไหนก็เป็นทุกกายก็เป็นกายมันไงต่างอันต่างกิมันก็ไม่ได้ทบกันในี้เวลาตอยมันก็อย่างนั้นการนวดนี่ต้องพูดดีกว่าพูดนวด ถ้าขึน้นว่าเส้นแน่นอนในการนวดเส้นแล้วเราปล่อยให้เลยย้อยเปอเซ็นถ้าผู้ไม่แน่หรือเก็บตรงไหนเราบอกอันนี้เจ็บผิดปกตินะเราบอกให้ระวงังคือเก็บเริ่มันจะแสดองอาการทำเริกลุ่มมาอัพเฟซขึ้นม า, เ, นมาเรียกว่ามันผิดพลาดเราไม่ทนเจ็บแบบนั้นจะไม่ยอมแล้ถ้ามันเก็บเพื่อจะหายเอาเลยวางสาักค น, นไปเลย ยรองศิษย์เนเรื่องสำคัญอย่างที่มาพูดดี่น้องสงายสังนี่ก็เอาพยานออกมาพูดให้ฟังเห็นไหมล่ะถึงขนาดเอาแขนจะขาดให้ขาดไปเลยเอาเอานวดเลยนั่นท่องที่นั่นนั่นเห็นไหมล่ะนั่นลราจิตเปนจิตอย่างนัมันไม่มีอะไรที่จะมามีได้มีเสียต่อกันทุกเป็นทุกกายเป็นกายจิตเป็นจิตต่างอันต่างจริงต่างจริง้าว่าพูดชีวิอิสระก็ต่างร่างกายเป็นอิสระของตัวไม่กระทบกระเทือนกันะ ถึงเวลาตายมันก็แบบนั้นถึงเวลามันจะตายก็ทุกแบบนี้จะพาให้าตายทุกมันก็ไม่รู้ว่าตายนะมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปกายก็เหมือนกันสลายไปจิตก็ถอนตัวออกเพราะจิตไม่เคยตายจิตไม่เมือ่อไม่เคยมีคําว่าตายช้ามันไม่มีท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยจีบกับสีสันของบุคคลและจักรและร า, ายลายนี้ เกิดตายเกิดตายมายี่กี่กับี่ัานนานเท่าไหร่แล้วถ้าไม่มีเครื่องร่างเอาไว้แล้วจะไปอีกอย่างนี้ทานองเดียวกันหาเื่อนต้นไม่เจอหาเื่อนตายแห่งความเกิดตายนี่ไม่เจอไปของมันอย่างนี้เลยเพราะมันมีวัตกิจดยูด่ภายในจิตสังอยู่นะั้งพาให้ไปแล้วกับอันนี้พาเหมือนให้ให้ทําให้เป็นปิยาของทำทำก็มีแทรกอยู่ในนั้นพาให้ทําดี นี่เลกนี้ก็เป็นเป็นตัวตามอยู่ในนั้นแล้วพาให้ทาชั่วคนเราจะมีสุขมีทุ่งสูงสั่มต่ํำพบนั่นพบนี้ไปได้ทุกทุกพบทุกชากไม่มีประมาชัดทั้งหลายเขาเกิดเขาเป็ี่ยนไปได้ฉันใดตัวกิจของเราก็เป็นไปได้ชั้นนั้นตามอํานาจแของกรรมเหมือนกันเพราะอันใครยังอยากประมาทนกประมาทสั่มไม่มีอะไรเหนือกรรมเลยโลกกานนำมีกรรมเป็นั้นไข่ เราทําลงไปนั้นเรามีอำนาจทากรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วเรามีอำนาจทาแต่เวลาเราทำไปแล้วกรรมมียาหน้าที่จะบังคับเราให้ตไปตามดีตามชั่วที่ทํานั้นนั้นอันนี้ไม่มีใครบังคับได้พยะอวดเก่งน้าเลยไม่มีธรรมใดที่จะเห็นรู้ชัดเห็นชัดยิ่ง ก, กว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นหมดทุกอย่างเลยเป็นไปตามนั้นเดี๋ยวลบเหนี่ยว่าลบไม่สูง คีอหลักธรรมชาติลบไม่สูงอย่างเช่ น, น, บบรร น, น อ, อย่างว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนี่ขี่เล็บมันหลอกเนี่ยคนข้างสร้างบาปสร้างกรรมกรรมก็บีบเอาสิบีบเอาแล้วนี่จะลมป่ากเลยกรรมมันไม่ใช่ลมป่าก ม, ม, ม, มันเป็นหลักธรรมชาติไม่ว่าดีว่าชั่วมพาไปได้ทั้งนั้นแหละถ้ทาทำกรรมชั่วก็ลงเลยทํากรรมดีก็ขึ้นเลยมันนึงสอนว่าให้ระมัดระวังนาน่า ต่างคนต่างรักตัวเองส้วงหวนตัวเองให้ระวังสิ่งที่จะเป็นภัยต่อตัวทั้งปัจจุบันอนาคตตัวนี้หยุดอย่ น, นี้จะเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมทั้งปัจจุบันอนาคตตลอดไปถ้าทำชั่วก็จะบีบตลอดตไปทำหนักเบามากน้อยเสียงไรนี้จะบีบไปตามอำนาจแห่งกรรมระพายไปให้ ไ, หไงงก็เพราะกตัดทั้งหลายชีวิ เกิดได้ชุ้เนี่ยทุกมุมชั้นทั้งหลายเกิดได้ชั้นใดเราเกิดได้ชั้นนั้นนั้นกันถ้าทําแบบเดียวกันเป็นอย่างเดียวกันเป็นอยาอยาื่นไปไมได้นะหลักธรรมเป็นอย่างใหญ่มากในสัตวโลกใครจะเชื่อไม่เชื่อใครจะนับถือไม่นับถือกต็ตามแต่ธรรนี่สัตว์ทด้วยกันทําดีทําชั่วทําด้วยกันทั้งนั้นแหละ จะมีเกจธนาไม่เจตนาเพราตางกรรมเป็นหลักธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่เก่าใครจะยอมรับไม่ยอมรับเป็นกรรมตลอดไปั้งดีและชั่วที่ทำลงไปต้องเป็นหน่อยมีเวลาตายแล้วแปลวาอันนั้นม่ไอยู่ในจิตชั่วก็ดีดีก็ดีในจิตอันไหนยอมน่านมากเนี่ยอันไหนที่จะควรรับกรรมรับดีชั่วก่อนหลังกันนั้นมันอยู่ในหัวใจ นันจึงเกิดได้ชิ้นแม่ชุเหมือนทุกข้องจีบตรงนี้อเป็นอย่างเชื่อโลกนีกระด้านวัต ถ, ถุนั่นเชื่อโลกแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้อเอากล้องจุลทรรศจับลงไปถึงเหน็นอื็ทั้งๆจะเป็นวัต ถ, ถุแล้วเอยียดยิ่งกว่าตาเ น, นืที่มองเห็นมันก็ไม่เห็นแต่เวลาเอากล้องจับพักเข้ไปมันก็รู้อย่างเขาเรียกว่าเชื่อไอวาอย่างนี้นะบางครไม่เชื่อหมอลมองดูสิ เจ้า น, นี่มีเชื่ออริวาเป็นหนึ่งไม่เชื่อมองไม่ข้ามองไม่เห็นไม่เห็ น, หนก็ชัดเลงไ ป, ปยังดูที่นะตาแห้งมันไมไ่ขึ้นอยู่กับความมาเชื่อไม่เชื่อนะมันขึ้นอยู่กับความจริงขึ้นมีอยู่นั้นความจริงเน <c oughs> ื้ออนาตของกรรมเป็นหลักธรรมชาติโ้่นภาาปฏิบัตินันเลยมันต้องชัดเ <c oughs> พราะพระเจ้ารู้ด้วยภาภาปฏิบัติ พัดเจลี่นแก่แจ้งทุกอย่างนํอาออกมาของโลกเชื่องของโลกกาบดเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างและไม่เชื่อนมันก็ไปตามกรรมของเขาเองไม่ไปตามพระพุทธเจ้าเราคือคือของที่ที่สอนว่า น, นี้เป็นความจริงไม่ลบล้างไม่ได้เลยใครจะลบล้างแบบไหนก็ไม่สําเร็จการเป็สอนใ ห, ให้ให้ระวังตัวนายจะอาหารทานเผน่อนา ในโลกอบีตีนี่เผาจักโลกมากี่กับขี่กันแล้วนาะนเราเป็นคนพิเศษสัตว์พิเศษมาจากไหนพรอที่จะเบ่าลบร้างนระกไม่หนึ่งลบล้างบาปไม่หนึ่งเป็นไปได้หรือเราเพียงคนเดียวสัตว์ตัวเดียวตาบอดบอดพระพระพุทธเจ้าตาดีทั้งนั้นสอนแบบเดียวกันหมดพมีองค์พระองค์ใดลบล้างได้ไนหะบาปคุณนนระกสวรรค์โซมาโลกนี่ขาด ไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดลบได้สอนไม่ตามหลักความมีของมันส่วนดีก็สอนดีส่วนชั่วสอนเชั่วอันไหนที่ควรละอันไหนที่ควรบำเพ็ญสอนให้ละให้บำเพ็ญนี่เป็นความถูกต้องเมื่อละแล้วมันก็ไม่เข้ า, ากระโจงนั้นไม่เมื่อไม่ทํามันก็ไม่เป็นผลเชื่วขึ้นมาทานดีเมื่อทำก็เป็นผลดีขึ้นมาดงั้นท่านจึงบังคับบัญชาให้ ตัวให้บังคับบัญชาตัวเองสร้างความดีอเรื่องกี่เรีนมันจบิดตลอดมาให้เราสร้างนะเรื่องความดีที่เป็นค่าสุดต่อที่เรียนทันทีทันทีนะเพราะมันเป็นเจ้าวัดปรจักษการทําการมันก็เป็นไปตามน้าของมันแต่เราจะทําความดีนี่มันจะฝือนอานาจของของมันมันจะไม่ยอมให้ทำแต่ทำความดีนี่โอ้โหฝืนจน บอกแม่ท ko ี arm, ่ถือเข้าไปไว้พ hey, yeah, anyway, ้าก็ไปร้องเงี่ยเงียียอยู่ในห้องพาะก็เคยใช่แล้วไม่ใช่เยอะคือความขี้เกียจที่ข้านามแม่เอาไหนเน่ยมันดึงเอาไว้ให้ร้องดังเสียงเงียบเงียบร้องว่าวันนี้นื่อยมากเนี่ยนงียเงียบขึแล้วเห็นไหมวันนี้ยุ่งทั้งวันเนี่ยเงียเงียคขึแล้วอยู่ในห้องพระเนาวันนี้ไม่จำเป็นไว้พระร้องเงียบเงียขึ้นอย่างนี้ละ ร้องแงะเ น, นี่ยก็ไม่จําเป็นร้องยงะแงะว่าอืเ น, นื่อยมากร้องแงะแงว่าไม่มี ว, วาสนามันร้องแงะเนีย่ยเขาเดี๋ยวก็ดังเสียโคมนีวาสนาข้องข้าคือเสือกำบอนอร้องโคมาไปเรื่องแงะี่ยคงไปงั้นเ น, นี่ยเราจะทําความดีมันดึงเข้าใจไหมที่พูนดนี่นะมันเนเป็นบาไม่เด็ไม่เป็นความหยามนะเข้าใจไหมทม คิดความตึงความยุ่งเหยิงวุ่นวายความตาม้านทานเนี่ยมันเหมือนกับหมาร้องแหนะแหนะเข้าใจไหมต้านทางความดีไม่อยากให้ทําวิ เ, เล่มันดึงอาไว้อ่าจะทำความดีนี่ร้องแหนะแหนะอะไรในศาลา น, นี่เสียงรั่นนำถ้ามีผู้มีหูทิพฟังนี่โอ้ยศาลาหลังนี้ดังร่นรอยู่มีเสียงร้องแหนะแหนะออกมาจากหัวใจหัวใจ มันร่องแหนะออกมาจะมาประดับประดาตกแต่งเป็นผู้ดีอยู่บนชลาวนี่นะเข้าใจไหมผู้ชั่วมันยินในใจที่ทจาจับเข้าไปมันเห็นหมดเข้าใจไหมล่ะออตั้งที่เลย จ, จับมันไม่เห็นมันมาประดับร้านประดับร้านหลอกกันอย่างนั้นหัวใจภายในมันร่องแหนกหนักหนักหนักยัไงกปใหญ่ดิ้นตามที่เลยดิ้นไม่พันให้จิเรตคอย ร้องแง่เนี่ยไปไม่ทันคอยให้จี่เรดคอยไม่ได้ว่าจะศูนย์จีเรนนะให้จีเรศคอยนี่ไปไม่ทั น, เ, น, น, นะไไทนเดินไปไปไหนนี่จะคานไปให้รอหน่อยรอหน่อยพวกนีก้พวกร้องเนี่ยอยากให้คอยปรจัยโอมันสรนุปทำไมจริงนะเอาทาําจัดกีเรศพระพุทเจ้าเป็นในข้ามอไัยเลยทีอันเห็นหมอดอ่าพวกเราเมืดหมอดท่านที่นั่นอลอยทั้งลอยมื่อกับแก๊ง ปะทะกันทําเป็นทาที่สว่างปิดไม่อยู่เห็นหมดอที่เรนนี่เปิดไม่ได้ส um ิดหมดนั่นเดี๋ยงนั้นนะพราันไปที่ไหนจิงมีเสียงร่างแงะแงะแงะมีครั้งเดียวเดี๋ก็จะเปิดประตูลูกกลงเนี hmm. <peu> ่ยไอ้พวกที่ไอ้หยองก็จะล้องแงะแงะออกมาว่านี่ข้าหิวเที่ยวเล่นบักเวะเข้าใจไหมข้าเที่ยวเล่นก็คือเรื่องของเรนจะเรื่องเที่ยวสนุกด้นานข้างหิวร้องแงนแงะ ให้เปิดประตูกอ่องให้เยิดได้ยามกองให้บันเตรียมร้องแหนกแหนกนไอ้าาทุกี่เร า, นะา เ, นเนี่ยผมนก็โอ้ตรจนี่เนี่ยโง่เดียวงนเราผู้ดูเจ้าท่อปะถ่ายไม่ท้ อ, อยังไงมันเห็นพระจักรีจับปิดอะไรก็บิดเรื่องกเกเรตีทำนีมม่เจ้าตลอดไม่มีติดความติดบางรี่รับเรื่องของทำนี่เจ้าหมดเลยเนี่ยท่านนํามาส่อโลกท่านรู้อย่างนั้น ทานเียนจะก่อนท่านก็ไม่รู้เหมือนศักทั่วโลกมาเลยหูหงอกตาบอดเหมือนกันเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาึเนเวลาวันจ้าขึ้นมาแล้วไม่ได้เหมือนเขาทีนะมันเหมือนอันนี้อันที่รู้อยู่นี้นะั่นนี่อย่างนี้นะนี่พากันฝืนแะล้วไม่ฝืนไม่ได้นะพโอ้เรื่องการจะทําความดีนี้เมื่อยังไม่เป็นพื้นฐานนี่ยมันต้องรีบสุดเหยียบมันนะ มันต่อสู้เราไม่ฝึกเหวี่ยงนีน่ไม่อยากให้ทําเลยนั่นขึ้นชื่อว่าความดีแล้วมันฝึกตายเลยตายเลยนะนี่เวลามันหมานี่ฝืนไปฝืนมาก็พอแย่เบาบ้างพอรอดได้รอดได้รอดออกรอดออกได้คอยเบิกกว้างบ้างนี่เวลามันเป็นนิสัยเคยทาแล้วไม่ได้ทําความดีวันหนึ่งอยู่ไม่ได้นะนั่นเห็นไหมาทางดีเปิดกว้างแล้วไม่ได้ทําอยู่ไม่ได้มันฮักเป็นในใจ รู้สึกมันมี่ไอ้ตะคิดตะฟ้าไม่สะดกสบายท่านไม่ได้ทําความดีเช่นภาวนานี่ไม่ได้มากน้อยก็เอาอะมันก็ชุ่มเย็นขึ้นในใจนี่คราวดีเปิดแล้วไปยางอันนี้ยื่นถึงท่านที่ที่เคยพูดให้ฟังท่านอัตโนมัติท่านทำมีกําลังที่จะออกให้อยุดพ้นโดยสายเดียวแล้วนั่นไม่มีวันมีคืนล้างจะยังล้างเอาไว้ขนาดนั้นไหมพลังของธรรม ทางดีมีกําลังม า, จากจะจะอยู่ไม่ได้ไม่จะอยู่ไม่ได้ที่ไปท่าเดียวท่เดยนั่นถึงขั้นทํามีกําลังกิเลสหาหน้าไปหมดนะนราะจึงย้อนมารู้มันได้กับความที่เสียชีพท่านพ่อแท่ออดเลยที่เป็นกิเลสขั้งนั้นเมื่อทําอีกขึ้นแล้วความอดแอร์ต่ อ, อแฟ่นี้ไม่มีมีจะดีบขึงขึง ข, ขึ้นเลยพ้นโดยสายเดียวเท่านั้นนะเนี่ยทำถึงขั้นตายใจแล้วตายใจเลยงไง เหมือนว่านี้พานอยู่ชั่วเรื่องชั่วเรื่องชั่วเรื่องพูดบิดพูดบิดเรื่อยอนั้นใจรวมเดียวนี่นะเวลามันเป็นปัททะปลามะมันไม่เอาไหนเลยบาบุญไม่สนใจขอให้ทําตามหน้าสมที่เล็ดตัวนั้นหนานี้เป็นที่พอกันี่นี่เวลามันมืดเป็นปัททะปลามะได้บุคคขนขั้นนี้นี่ถูกฟิตถูกะนั่นก็ไปตีก็ไป แดเทับไปหลายฝนก็ไปก็ค่อเป็นเนยยะอ่าอัธปัญกากำเนยยะก็ก็ขัดก็แยกกันแย่งขึ้นได้บ what, ้างลงลงมากกว่าหรือลงมากกว่า <ania> ขึ no <In Chinese Commons> ้นอั้นต่อไปขึ้นมากกว่าลงต่อไปก็พุ่งถึงนีบจิตจันดูขั้นเล่นขึ้นแล้วเนี่ยขั้นนี้ขั้นนี้ไปกี่กันดูขั้นจะไม่ถอยแล้วจากนั้นก็อุคจิจันดูพุ่งเลยเป็นทั้งขั้นในบุคคลคนเดียวแยกออกมาที่คนสี่พระแห่งแล้ว ไอเราในจิตของเรามันก็มีขีกวก็แทรกถ้แยกออกไปเวลามันไม่เอาไหนโผล่ไม่เอาจริงๆรนะอ่านี่อาขั้นมันนี่ขั้นประทับปรมาดึงกันไปดึงกันมาหลายครั้งหลายหงส์อ่พอเนยยะเปิดประตูรอรับ อันนี้หลุดเข้าไปในระยะด้สองละทีก็เอาปัทภปรมะล่าออปัทภปรมะล่าออกมาตัวยังไม่ออกแขะขาขาดออกมาก็พอใจพอใจปัทภปลมะมันดึงออกมาตัวยังอยู่ในใ น, ในห้องขังเห็นในห้องดึงออกมาถ้าต่อไปนี่ก็พุงพ่งเขาพุ่งเขาพุ่งพุงพ่งเลยถ้ารู้งั่นคนประเภทเดียวคนคนเดียวนี่มันมีขั้นอย่างไรขั้นที่มันไม่เอาไหนไม่เอากินกินนะ อดึงกันหลายครั้งหลายน ห, ายหนมันก็มันก็ค่อยเปลียนค่อยไปมันก็ท่าถึงดีผึงถึงคุ้งอะไรนี่ท่านประทับปรมาต า, ตายตัวเลยก็มีมันมีหลายขั้นนะประทับปรมานอ่พอที่จะได้บ้างก็กเอากจนได้ประทับปรมาที่ว่าเหมือนเหลือใจลมหายใจแบบนี้ในหลายประเทศนะแล้วตอนน้องแยกมาเปา็นประโยชน์ต่อเราที่ เราจะเอายอกให้แต่คําทียกให้แต่คนนั่นคนนี้เจ้าของแบ บ, าบากองทุกเพราะบาปวกรรมจนกระตายังไม่ดูเจ้าของหมอพอจะปวดเพื้องเจ้าของได้บ้างก็ต้องดูบ้างสินั่นของชายเราเลี้ยงพวงเนี่ยนะพวกร้อง แ, <c ười> <c ười> แ, แย้เนี่ยหัวแย้แยเต้อ ทางหนึ่งดึงดึงขาไว้ัางหนึ่งดึงออกมาเนี่ยล่องแหนะแนะแย่งกันตรงนี้ก็ย่อนะมันล่องแหนะแหนะหลายขั้นเขาจะบ่าวแหนแหนหลายขั้นนะนี่รียกว่าแหน่เนาะอ่าขั้อนขั้นก่อนราจะไปล่องแบบไหนไปร้องแหนะแหนไปเนาะขั้นบอเราไ่ตามดูแหละอ่ายะถาวาริวะหาปูราภิรูเรติตากรัง เมวะเมวะอิโตชินังเปตานังอุปะปะเถอิกิตังปะฏิสังสมหังทิปเมวะสมิจชาตูสัปเพปูเรตูสังกปาจามโทปนะระโสยะถามณิโชเตระโสยะถาสัพพิโยวิวัชนตูสาปโลกมีนัสตมาเปตภวะตมาจาราโย ถุกผีถือ่าอยู่โกเพราะว่าอธิวาชนะศีลิส น, นิจังมุทธาปเจียโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอ า, ายุวันโนสุภาอาราห์นี่อันนี้ก็อ่านไในมุวานนี้ได้ได้สองคำหนึ่งบาทที่สองนะตาเมื่อวานนี่นะดอลล่าได้สิบดอนเมื่อวาน ที so, ่อ okay, uh ่านมาแล้วก็อ่านทุกวันที่เกียจอ่านไม่อ่านะเอาจะแค่แช่นั่งไ็ได้มาทุกวันฟัดจับแล้วใครมาเนี่ยฟัดจันแล้วใคยมาหรือฟัดกับไอ้แงะแๆะขนาดเลื่ได้เลื่ได้แล้วอเอามาขึ้นมเนี่ย โอ้ nh ẹ nh ẹ không mà, ิถึงเรื่อง c ย c ๆกัน n ะแล้วขนเร่อมาอะไรมันจะให้หรือไม่เนี่ต้องฟัดกันที่ตลาดร้องแย่ๆอย่างไรต้อเช็ดร้องแย่กันเนี่ยเนี่ยเนี่ย ก็จะหาเงียบๆนะผมเลยบอกว่าอาจจะเจอหนามๆดีนะได้ได้ได้ไ่าฮ่าฮ่าฮ่นี่สนใหาดีบงอเนที่ไหนก็ไม่ ยอดเยชื่อว่าน่ดูวัดไหนก็ไม่ได้ิแน่ใจน่ะสามนี่่อน้างเนอะสบาทองบาทนีบาทาว่างั้นครับ นี่นี่แยงๆยงมาแล้วเห็นไหงเนี่ยมาแล้วมันไม่ร่องนั่นเนี่ยมันใจถึงมันไม่ร่องมาเลยเนี่ยอืมอะไมาะลรวาไอหยองก็ไอสี้มันไปมันก็แอบอยู่ในควงเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในครัวมันพิยในควไร้องไงไงในคยกว เราจนวด้อนช้าร่างเดีอกันเราจะนวดทีขัดตอนนวดที่ขัดตอนเช้านี่หรือเป่างานก็จะขัดเท้ากงไปให้ให้นวดก็คือมองดูภาพตัดสัมผัสบมือสั่นๆไปั่นกับมือสั่าจงทำบนมเลิกก็พอไหว้ัดผมเลิกขัดผมูลิกก็สั่นๆไปลองแก้ขัดได้ขัดเท้าว่าเยอะข้นเนื้อคลืน ยไม The have, and and and ่รู้ว่ามันผึกเพราะการเกิดมันเติบโตขึ้นมารู้ถึกยิ่งถึงคือร่อยเลยร่อยเลเหมือนว่าเขาก็แตกไปเลยยาวนงให้าคยงใยงให้ไมู่้ลไปให้ไปใหนนี่ย เฮ้งมาหาเน็ตแล้วไปหาดีเหองั้นาดีดีเ่าฮ่านี่จากผู้ขับขานที่เราทำเทวราี่อาปงทเชิงที่เรามองเห็นแล้วก็คว่าว่าตรงนั้นก็ไ อือันน TA um ี้เขาเนิ่งข้างลู่ข้างรู้ไม่ยนิ่งนะลู่กายมันเนิ่งความสั่งไหลของกระแสจิตที่ข้างลู่ข้างข้างรู่ถึงไม่เนิ่ไม่เลยนะลู่ก็เนิ่งก็รู้มัเนิ่งก็รู้แรงเงิ่งก็รู้รู้อยู่กับความเนิ่งไม่เคื่อนออกไปหาตัยาพเรื่องยั่งยืนขึ้นมาสำคัญเข้าใจนะ อืมงบแพะมากแล้วมันเอาเตมขี้แล้วมันปยนไม่ใช่้าอดูาน้อส่อืมางย้างกีไม่รู้อลยใช่ก็จังแบบง่ข้ามไปหลวงปู่ข้าเือมาทหน้าเนี่ย เอาเอาข้ามาข้างอนาลัวหนึ่งเอาเอามาข้างหลังเขาก็บอกแล้วว่าตรงนี้เขาจุดประกาไว้สาตรงนะจุดประการตัวใหญ่ตั้งจากตะาัเช่องแล้วห้ามม่ให้ผ่านภูอ่างป่าปางนี้ะปจะเสือกับสิงเขาบอกว่าถ้าสิงคื อ, อ, คอต้องแต่เชียงไปแล้ถึงไม่ค้นสามดวงนล้อ เสือมันมหาตีคนต่างถงนะเขาเรื่องเสืประกาศท่าไปายก็ไม่สนใจไปเขาไปเจอเขาอยู่ในยงเขาตอนแรกก็โอ้ยเจะมางานเมื่อเมื่อไปไมก็ไม่พ้นยงเนี่ยเสือกินท่านอย่างไรเนยอ้เสือกินขี้นมเนี่ยหนุ่มชาวเรืองนียมันกายเสือกินมันก็ตายนะเขามื่อวัท่างออกมาท่านไม่ยอมออกท่านไม่ยอมตัดต้องไปยังยุ่งวาเนย ไปก็พาตกนู่นทางนั้นเข้าอยู่กันกลางตรงเลยไอ้เฉมก็กหึมตัวมาทางนู้นแล้วทางนู้นก็ะหึ่มกรหึ่มมาทางนี้อือยกอะถ้าเราคุยกันว่ามันเคยกินงคนวิชาทิ้งคนมันททองพอยแล้วมาจังหวะเดียวกันทีถ้ามันแค่เชิดบางจานรื่องของทกษัชอบลูกศิ์จะเป็นยกเชิดบางจา พอไปถึงกลางยงจนเนี้ยทาง้นก็กรเห็นมกระหึ่มาทางนี้มาอ๋อทนี้มันก็ถึงท้าเลยเหรทข้างล่างเอาขนขนที่ไหนมันกระายไที่ไหนละที่ไหนมันถึงทาอ่ในบานในป่านทั้งป่านมีอยกับตัวเราเรื่องความตานะ้วมัพอดีพอถึงตรงวอามันมาก็พอดีเขามาตรงหน้านี่เลยงหวะเดีกันตัวร์ยังก็มาพร้อมกันระยะเหมือนกันอืมอ ที่คงไปเลยบางืนแมองเห็นทักะไปนี่ยมห็สมันมาแล้วนู้นคเยอข้างัวงมนเรียกว่าจับจับจัปอบมัน้สร้างตัวได้วางั้นไว่าันี่ปแล้วกลิ่นมกหมดลข้างนอกมันหดมาในแล้วอันนี้ตัวลงทับา รวักลงไปชักแรกนะว่ารวมพักลงไปแเสียงขุบบอกขึ้นมาว่าเสือคำเลวไม่ได้ไม่ต้องกลัวบอกขึ้นมาบอกว่าเสือคำเลวไม่ได้ไม่ต้องกลัวพอขึ้นขุบขั้งที่สองถายหมดหมดหนึ่งขั้งนขั้งเพื่อดับทั้งหมดเลยไม่มอะไรทำงานอัน้องกระชาหัเป็นชั่วโมงชั่วโมงทั้งันนะ เรื่องก็ะทั่งมันได้จังหวแล้วมันก็ถอยขึ้นมาพอถอยขึ้นมาแล้วควมไฟที่เหี่วเนี่ยมันดับไปแล้วเจ้าขยังยืนหี่วอูท่านบอกว่าเมื่แปกอันหนึ่งอันใดนะตานทีมันลงเต็มชื่อแล้หมอดทุกอย่างแล้วร่างกายหน้าจะร่มลงไปไม่ลงอันงดนะพอพอรุกกลัวขึ้นมานี่โความไฟก็ที่อยู่อือ บาดก็สะพายอยู่ก็ก็แบบอยู่รุ่งจังไปปวกกระสือใช่ไหก็จิตถอนขึ้นมาอ๋อเดิหนังนีวะมองดูโคมไฟนั่นนี้แล้วทีนี้ก็ท่านก็เลยนั่งลงสุดไปเรื่อความอึดอ่นในความรัชการของติดมันมาปรากฏในเวลาตรงตอกตรงมือนางนี่ขั้นชิดได้นะถ้าติดไปเสียจะตายหาเขื่อไม่มีเลย หายเนี่ยเป็นเหตุนี่กะหาไม่กอนจทั่งหมดเชียงหมดไปสมัรก็ไม่รู้นะจนกงแต่งถูกนหมนะจนกระทั่งเชื้อหมดนั่งหมดไปสมัรก็ไม่รู้ท่านท่านมันุูนถึงนาฬิกามันมันรวมอะไรนะคงไม่มีนาาละมันกัเราก็ไม่มีแต่ก่อนมันพึ้งมาปีมีปีเก้าสามเลยอะมันจะเป็นยานยนต์ละ ย่างเผาศพก็แม่ได้จานนั่งแล้วก็ได้เานนึมันคึงจะมาอวดว่าห้าทุ่หรือเล่ใช่ไหะอืมก็ไม่มีนนเอาอย่างมาอวดว่ะอันนี้ก็พอสามถึงไหมโหชี้จิตไม่เป็นยังไงกัทั้งนนนะแต่ความชี้กลัวแต่เริ่องแรกนั่นมันลับเป็นความแม่ตาของสารทั้งหมดที่อยากพบเสือสองตัวข้างล่างนี่นะพอจตใเสียก็เราจะสายหามันมันอยู่ที um well. like. ่ไหนถ้าเห็นมันล้วจะเดินเข้าไปเลยจะไปยุบคำหลังมันข้างล่างนั่นนะ ยังหายเนี mm. ่ยไปยัอท ah. so so ่านก็จะจุดไฟไว้เรื่อเลอดญย่าขกเสือกเจรอญจะสั่งงาน้ำว่าควรมือจะหลับพบด้วยคามม่ตาสงสารความรักต่างๆโอ้มีเสือมาช่วนเลย้เราทำอัศจรรย์ซึ่หนังส่อพ่อเราก็ไม่เคยถึงขนาดนี้ท่านนะแล้วหลักเสือพ่อพอไปจบไปถึงหมู่บ้านเขาก็พอดีไปดินสะบาทออกจากโรงไปแล้วโอ้เขามองทั้งบ้านเลย อาหารมาไงก็มาดองเนี่ยเสือไม่กินเนื้ อ, อเขากินก็เจ้า ม, มาไงทั้ว่างโอ้ยทำไมเขาใครมาให้เสือกินนั่นรอจนคนรู้กันหมดดองนี้ตรงเสือกิอนคนฝุ่นง่ายเลยแต่วันนั่งเป็นดงแทบบรรดาเสือไม่กินมากํำลังต้องไปแล้วหาอาหี่อย่างแต่กมาไม่ครบเลยหา ย, หา ย, ยเลย นี่เราพูดถึงเรื่องจิตที่มันลงกันที่อะไรแบบนั้นนะมันดับหมดล่ะเนี่ยสัมผัสอารมณ์เนี่ยภพไพล่อกเนี่ยเพราะจิตไม่ออกมาหาทางเดิยเนี่ยจิตอยู่ข้าในตาหูจมูเรื่องการมันก็เป็นประกูเปิดโลกวิสัยไม่มีคนเข้าคนออกเข้าใจไหมกระแสของจิตมันเข้ามันออกข้างในประจานาวรเนี่ยเวลาแล้วมันเข้ามันหมดเลยเนาะมันดับหมดเวลาที่เข้าไปแล้วเนี่ย มนใจค่ะมันลงไปอยู่ที่อย่างเดียวนะดูขั้ยแล้วีนี้พอแต่แล้วผมก็พิจารณาเรื่องกระดูกที่เคยผ่าตัดมาเมื่อเดือนที่แล้วก็เอามาประคันพิจารณาใหม่ตอนนี้เขาพิาณาไปี่มันมันเกิดเบื่อหน่ายอย่างเงี้เบือหน่าเบื่อหน่ายมันก็ขอยตัวเข้ามาคือมันไม่เบื่อมันเกาะมันติดมันเฉียวเนี่ยลมันเบื่อหน่ายมันก็ปล่อยมามันก็เข้ามาเข้าหาตัวนี่เป็นตัวของตัวเข้าโดยลำดับเข้าใจห ปก็ไม่เป็นตัวของตัวนั่นเป็นเรานี่เป็นห้องเราไปหมดรวนเร่าจีมันเป็นตัวของตัวก็ก่อน <espresso> so so ั away, ่นก่อนนี้พระพ่มันเกิความเ่อยงานทพิจารณากระเพืให้เกดความเมื่อานไม่ปล่อยเข้ามาเพราะพราะว่าเข้ามาเพ้าะว่าเปตัวของตัวเขาเรื่อยๆเพราตัวตัวเต็มที่แล้วบวชหมดเลยนั่นอันนี้ตัวตัวไม่ตัวไร้ไร้เขาให่แค่นี่โอ้โหมัหมดโดยประการทั้งตัวมันยเข้ามาอย่างนั้นหผมพูดถึงเรื่องเส้ท่านันทํานันา มันก็เป็นคติเรื่องอย่างยืนยันใช่ไหเวลาส่งต่อคนอย่างชื่อเคยพูดพอกเดียวกันที่ภาวนา้วยกังฆสาวสักคนโวยการท่านชีพขาดไม่มีอะไรตัวท่านบ้างนะครูวมากอ่ะทำเวลาถูกดักเพิ่มจิตมันลงจนที่เราได้ความรู้จักต่อเวลาส่งต่อเพราะว่าเวลาทำภาวนาท่านจะแม่ค่อยนกุมจารมิถานชื่อต่าง คือจิตมันยืดใว่าท่านจะไปหาที่ไหนที่มีเสือจะไปเจอเสือปั้นจิตมันจะล ง, งชั้นชีชั้นว่างเรียกว่าท่านเรีรยนนักเข้าใจไหมยั่นกลางคืนท่านไปหาเรียนนักข้างบนภูเขานั่นกป็นอย่งงอ า, ง, านนนงนั้นนะตรงไหนที่ําพัญว่าเสือจะมาที่ท่านจะไปนั่งที่นั่งอย่างคือกิงท่านจะลงถ้าลงแล้วนี่นอะไเรียกว่าอะไรทำไม่ได้อย่างที่ท่านอาจารย์พ่อว่าเสือทําแตาไม่ได้ไม่ต้องกลัววาง ระว่างกับทุบครั้งที่สองหายเงียบลกหมดเลยออันนี้ของช่างก็ลงแบบนั้นลงแบบลกหมดเลยครใช่เลยโผล่ขึ้นมาอันนี้ตอนที่ที่จับบางทีท่านเล่าให้ท่านชัดเจว่าวันนั้นนั่งอยู่รนั่งรอทีสามคมันก็ไม่ลงมันมันรับไปของมันก็ไม่ลงเอ้ยมันเหนื่อยมาเสือไม่เห็นมาว่าทำว่านี้นะอืเนี่ยทชาง ถ่ามเสืออยู yeah. now, oh, now, oh, mm ่ข้างบนมันลงมานี่มันก็ไปนี่งมาโน่นบ้างลงมาทานี้บ้างแค่ทําอยู่ที่นี่เือไปได้สองทางทางนี้ก็ไปได้ลงมาทางโน้นทางนี้ก็ไปได้ลงทางนี้ขึ้นทางนี้ได้ท่านเขาอยู่ข้างบนเเขาหาจิตมาตอนตีสี่ือสามตีสี่เขากลมานอนอันนี้เวลาตีสี่ท่านล้างพลาพัฒน์จะมีแต่ความวุ่นวาย มันไม่มันไม่ลงไม่กำไมเสือไม่เห็นมาแล้วท่าวางเลนะมาช่วยเขาหน่อยง่านวายนะอืมอืมไม่ไา้นะท่านอยาได้ยินเสือช่วยช่วยน่อยนมากยอะนยวกเสืยะ่พอเสือมาแล้วท่านกำหนดเอาเสือนั่นมาท่านกำหนดเสือก็มาแล้วมาโดดมาง่าผอท่านท่านกำหนดเอานะ มันกำหนดเสือมนงับพอคำปั๊บพอเสืองับพอปั๊บเายูถึงจะลงเลยหายเงียบไปเช้าว่างสิบโมงเช้า้องยืดรมตั้งแต่ีสถึงสิบมงช้านานขนาดไหนเวลเวลาลงเสอย่างเงี่ยพาจิถอนข้มาแล้วมองขึ้นอย่ีมีกวาดมารู้ขึ้นฟ้าถ้าวันออสั้นท่านไดูมันเป็นเสือจริงจรงไม่งาขนาด มันจะดูรอยปั๊บๆกว่าดไว้เที่ยวโรคหมดแม้แต่าอยู่มันจะเห็นใช่ไหมล่ะเสือทั้งกลัวไป่เห็นแน่ะลยั้มาถึงมันขึ้นมาขึนมาท่านนั่งอยู่มันจะมาอีกมาอีกขึ้นเลยโอ้เสือจริงจริงนะเหลือโค้งอย่างนั้นไงเสือมันก็ไปของมันท่านก็นั่งภาวนาเอ๋ส่วนมากท่านบอกว่าท่านไม่ต่งมุ่งนะอืมถ้าต่งมุ่งมันจะมีเหมือนเรามีชี่ิตปลอดภัย จิตมันจะไปอบอุ่มภางนอกเลมันจะก้ามไปเทาหัวเผาตัวใไหนก้ากวดเขางอกให้เสือเฉงด้วยใจหท่านท่านนั่งเวลาท่านนั่งท่านไม่เอามุ่งลงท้านล่ะุ่งมันมันเป็นอะไรอ่ะไม่เช่าจิตเพิ่งวุ่นนี่ย่ะก็เสือตัวปราบจิตยุ่งข้างลางท่านเอาทุกนั่งนะท่านไม่เอามุ่งลงขางล่างเานั่งนั่งอย่างนี้เนี่ยนั่งเสือก็มาเองก็เฉงอย่างนั้นเป็นประกา ถิ่นไปที่ไหนถ้าไห น, นไปธรรมดาท่านจะหาเจอที่ทําเลเสือเสือมาที่ไหนไอ้เชื้อที่ไหนมากท่านจะไปนั่งตรงนั้นเลยะยิ่งให้เจอเสือด้วยแล้วยิ่งชักท่นว่างนั่นนะคือมันอยากเจออ่อาพอเจอบ้านขุ่รก็คันอีลงเลยนะี่นสายคนละอย่างไนะไม่เหมือนกันไอ้เลามันจะแบบไหนนี่เขเจอเสือเยยิ่มไปยิม่มหัวแตกเลยโดนชนต้นไม้ชนหิ้งไปอะไรก็อะไรเนี้ย แต่เราพูดถึงเรื่องว่าเราเป็นแบบไหนไม่ทราบนะแฟนมันก็ทราบเป็นอย่างนันที่ไหนเสืออุ้มติดมันก็ไปตรงนั้นชติติดมันเองหาใจได้มันก็พอเป็นพยานตามอม่าเวลาไปเจอเสือจริงมันจะไปแบบไหนมันจะลงที่หนมันติดมันจะโดดชนหัวคนถูเขาก็ไม่รู้เลยหัเราไม่เคยชงเราก็มีหู เราเคยถามหลวงปูชอว่าตอนนั้นท่านภาวนาอะไรที่เหลือบอก้ามท่านบอกวาพุุ่ริงๆ่านบอกพงอืมท่านเคยไล่้านนั่งอย่นั่งเห็นไยมไปอย่างเงี้ยมันแล้วแต่นิสของใครนะพุทโธเป็นคาเป็นที่เกาะของศิก ทำโมหรือสังโคทำบนใดก็ตามเป็นที่เกาะของจิตจิตเกาะของน้ำแป๊บจากนั้นก็ป่อยหมดพุดโทกับจิตเป็นรายเดียวกันไปด้วยกับหายอยับเดียวก น, นต้องมีอาศัยที่เกาะแล้วนั่นคือว่าไปกลัวที่ไหนว่างนี่จิตจะไม่ออกเลยบังคับให้อยู่กับพุทโทดโธว่าสัตว์ว่าเสืออะไรเป็นจิตนี่ออกไปว่าธา ก, ก่อนกวรเจ้าของจะไหมให้อยู่กับคำว่าพุดโธไม่ปวด ทำโมลิสังโฆ ก, ก็ตามไม่สวนเป็นก็เป็นตาต า, ตาตาให้อยู่กับอันนี้เล ย, ยเดี๋ยวสักเดี๋ยวก็สั่งสมกําลังทางด้านขามาขึ้นได้นี้แข็งแต่งเช็ดโวยเจ้าหาจานใจเดินหาเสือได้สว่างนั่นเราเป็นเน่ยเราไปแนเน่ยนั้นนี่นะอันที่ว่าพูดว่า ม, มันจะไปเวลาไปเจอเสือแล้วหัวไม่ได้ชนหินห้หรือไม่คนก็นกนไม่รู้หล่าฟังดิแล้ถ้ามันจริิงมันจะไปหามันจะหาเสือได้ไหมก็ขึ้นเวทีเพื่อจะต่อยกันยอดนี่ยังไั้นโดดเวทีมาแล้ไม่ต่อยกันเลยมีอย่างหรือว่า พูดไปอย่างนั้นเนี่ยพูดอามุลงกันตัวเนี่ยพูดเอามุ้ลงกันตัวเนี่ยงางผู้รู้ได้ั้น่าท่านผูดีเสร็แล้วมันครงงรูปเป็นเสือเพื่อเป็นงานมันเอาขัง่ใช่ไังใหญ่เียว่าเกิดที่ว่ามลงแล้วมันาค้งขังในั้นอจท่านจำมียาู้ดี อ่ะอันนี้เราไม่เคยไม่เราไม่เคยท่านไม่เคยเล่าให้เรฟังเราดูไม่เคยพูดนะคือเราพูดทําไมจะเอาความจริงานั้น้ําไม่ได้มาลงลงลหลอกเข้าใจไหมอันนี้ไม่เคยเล่าเราฟังเราก็ไม่รู้ก็เลยคิงเทพบรรดาอืมเป็นได้เทพบรรดาก็เป็นได้เพราะเทพบรรดาบรรดาดเทพเสือมาก็ดีบรรดาหัวใจเสือก็มีเข้าใจไหมบรรดาเทพทั้งทั้งทั้งองค์นั่นแหละเป็นเสือทั้งตัวก็ได้เนี่ยเป็นเทพบรรดานั่ง อันนั้นแค่บรรดาจิตของศักดิ์ก็มีนั่นก็เป็นอย่างไ้นะฮะในมือไหยประเทศมา้าใครจะมาอลาตามโมนะฮะจะมาอวดนะว่าเทวดาไม่เมยพวกทำลายศาสนาพวกเทวทัศว่ามันเหลือพูดได้ขี้หน้าเลยนะไม่ใช่ทํรมาเมือวดเหลือว่านเลย แม่แต่กูตัวเท่าหมูอุกฉินยังจะว่าเมื่อมึงจะมาอวดกูหรือจงว่าเข้าใจไยกูระคึกขึ้นมันเหมือนจะบ้าจะเคยดีกินอ้าวมันจะอย่างนั้นจริงจริงมันถอยใครเมื่อไหร่มันเห็นด้วยเนี่ยจะมาอวดได้หรือตาบอดๆ่วแนีเลยูตาดีส็นขึ้นหนาว่าเมื่อมึงจะมาอกูหรือจะว่าไอ้กูมึงขึ้นจังทีเลยเนี่นี่มันดีสระล่าต่เลยเข้าใจอาจะม้างกกว่าเทวดาเทวดาดิผมว่า มันตาบอดมันลบไปหมดจริงๆผูเจ้าถึงครอบปรพีไม่เห็นเนี่ยนี่งานนี่ยไม่เคเห็นหรื่ามันตาบอดนั่นเอลไปพวงเงินหลวงเจ้ามองันฮะฮะพูดงีไม่ถูกอวไปอะไรโกหกด้วยครับผมเป็นกหกแล้วครับผม ขบวนมาใหม่แล้วครับข้าพเจ้ามีสาวหกท่นคือเรื่องหัวเนี้ยมันมันมานใช้วิสัยที่มาขอมันพูดมานี้ถ้าเป็นทัศน์อะไรอะไรนะเพราะงั้นใครจะรู้รอบยิ่งกว่าเขาพูดจะเจ้าพระละหันลาเรื่องจะปฏิบัติต่อโลกควรจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงไรไม่เป็นประโยชน์อะไรไม่มีใครรอบข้อยิ่งกว่าท่าน อันไหนที่ควรท่านจะออกมาตามที่ควรจะควรควรจะทุ่มท่านทุ่มเลยถ้าไม่ควรดึงก็ไม่ออกก็ยังอกได้ย่างพวกเทพอะไก็เห็นดั้มเยี่ยนี้ยกตัอย่างที่เป็นสูตรสมพัญนะครับก็เช่นมหาสมัยสูตรสอนเทพล้วนๆท่านไหนหลักเนี่ยท่านเทวดาเน่มียังไงฟังดิ้นแล้วผู้ที่เรีนรู้เป็นศาสตร์บุณญาณนีู่ท่านรู้ท่านองไหนตรงไหนท่านรู้ท่านก็เกิดมันก็เป็นภายในทของท่านไม่หลากไม่แรงสิ่งนี้ไม่ควร เหมือนไม่รู oui. ้เหมือนไม่รู้ไม่ได้ไม่แค่วิสัจะนําออกมาก็ไม่นำอันไหนที่เป็นวิสัยที่ควรจะนํามาเช่นสอนโลกสอนแม้แต่ในคูนเดียวกันนี้ยังหนี้แกงหม้อใหญ่หม้อเล็กหม้อจิ๋วเขาอย่างไรม่ะมันก็หลายขั้นของแกงด้วยหม้อนั่นอย่างนี้ดิงลงพวกเทพแล้วมันถ้าไหนไม่ใช่วิสัยที่จะมาสอนมนุษย์เอามาสอนทำไมพูดทำไมเนาะไป ไปบูมมาเลยเลยไปจะดไฟเขาก็เก <defender parachute. S 1> ็บ <sequences> น the ี the so ่ก็จะบอกให้พลาดานเน่ะอแกนี่ยังไม่นานเนี่ยจะไปเข้ากังกลงก่อนดังกลงด้วยเส้นพระพุทธรูปเนี่ยแล้วทุ่งจะมาเนี่ยเส้นจัะเตรียมตัวไว้ก่อนนี่ก็กำลังเก้าโมงแล้ายปายบนนี้เราให้ท่านดูว่าไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ต้า นี่คุณเฉลียวกับนักเสิราวพิมมาเป็นแสนกว่านังถือหยดน้ำบนดดมบุในเบร้อมกันอยู่นกดังคือส่งมาเท่าที่พอเหมาะกันให้มากจ้ิงๆไมมีที่สุดก็ขยอยส่งมาเรื่อยๆ น, น, นั่งสือตั้งแสนก็เลยแสนแสนห้าหมื่นล้วเงินเผ่อหยดน้ำมบนในเบี้ยคือต้องขยอยส่งมาเดี๋ยวถึงขนาดนั้นต้องเต็มเลยโกดังยังนยงมีอีก ทำเพื่เตรียมพ้อมยู่ีเยงตาเหล็กล็อกใส่ิตรนี่เร่พิมพ์มีสามพันเล่มน้ำคือเตรียมพร้อมมี่กกมาไว้ทนกนแต่อันนี้เราจะแจกเฉพาะกับคนที่ไปที่พั่วปริบัติยส่วนเก็บหน้าบนัวแจกทั่วไปสี่รายการแ้วดีโตโตโตโตโโเนื้อผักเขาอะเขาพูนั่นมันตรวจเนื้อเนื้อตรงนี้ ยืนก่นยืนยืนก่อนมันมันขัดนี่อยนี่นนีี่วันนี้มันเจ็บหวันว่ากระดูกจะแตเวลานอดนะเลยงเนี่ยาเไม่เจ็เจ็บข้านไม่เจ็บอะไรตรงนี้ลยกรานแน่วมันดูเหมขาน